ชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราสิ่งที่เคยห่วงแหนเป็นของที่เที่ยงไม่มีเลยบุคคลเห็นว่าสิ่งนี้มีความเป็นไปต่างๆมีอยู่ดังนี้แล้วไม่พึงอยู่ครองเรือนบุรุษย่อมสาคัญสิ่งใดว่าสิ่งนี้เป็นของเรา จำต้องละทิ้งสิ่งนั้นไปแม้เพราะความตายบัณฑิตผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเราทราบข้อนี้แล้วไม่พึงน้อมไปในความเป็นผู้ถือว่าสิ่งนั้นๆเป็นของเราบุคคลผู้ตื่นขึ้นแล้วย่อมไม่เห็นอารมณ์อันประกอบด้วยความฝันแม้ฉันใด บุคคลย่อมเห็นบุคคลที่ตนรักทำกาละล่วงไปแล้วแม้ฉันนั้นบุคคลย่อมกล่าวขวัญกันถึงชื่อนี้ของคนทั้งหลายผู้อันตนได้เห็นแล้วบ้างได้ฟังแล้วบ้างชื่อเท่านั้นที่ควรจะกล่าวขวัญถึงของบุคคลผู้ล่วงไปแล้วจักยังคงเหลืออยู่ ชนทั้งหลายผู้ยินดีแล้วในสิ่งที่ตนถือว่าเป็นของเราย่อมละความโศกความร่ำไรและความตรหนีไม่ได้เพราะเหตุนั้นมุนีทั้งหลายผู้เห็นนิพพานเป็นแดนกเกษมและอารมณ์ที่เคยหวงแหนได้เที่ยวไปแล้วบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการไม่แสดงตนในพบ อันต่างด้วยนรกเป็นต้นของภิกษุผู้ประพฤติหลีกเ้นผู้เสพที่นั่งอันสงัดว่าเป็นการสมควรมุนีไม่อาศัยแล้วในอายตนะทั้งปวงย่อมไม่กระทาสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักทั้งไม่กระทาสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่เกลียดชัง ย่อมไม่ติดความร่ำไรและความตระนีในสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักและเป็นที่เกลียดชังนั้นเปรียบเหมือนน้ำที่ไม่ติดอยู่บนใบไม้ฉะนั้นยหยาดน้ำย่อมไม่ติดบนใบบัวน้ำย่อมไม่ติดอยู่ที่ใบปทุมชั้นใดมุนี ย่อมไม่ติดอยู่ในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังหรืออารมณ์ที่ได้ทราบฉะนั้นผู้มีปัญญาย่อมไม่สำคัญด้วยรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังหรืออารมณ์ที่ได้ทราบย่อมไม่ปราถนาความบริสุทธิ์ด้วยทางอื่นผู้มีปัญญานั้นย่อมไม่ยินดี ย่อมไม่ยินร้ายชนี้แลถึงท่านจะติดความแก่อันเลวซามถึงท่านจะติดความแก่อันทำให้ผิวพรรณซามไปรูปอันน่าพึงใจก็ถูกความแก่ย่ายีอยู่นั่นเองแม้ผู้ใด เพีงมีชีวิตอยู่ได้ร้อยปีผู้นั้นก็ไม่พ้นความตายไปได้สัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นเรื่องหน้าความตายย่อมไม่ละเว้นอะไรอะไรย่อมย่ำยีทั้งหมดทีเดียวคนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะเป็นคนหนุ่ม เพราะว่าการบวชของคนหนุ่มท่านผู้สแสวงหาคุณธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสนรรเสริญจะเป็นชายหรือหญิงก็ตายแม้จะยังหนุ่มสาวก็ตายเพราะเหตุนั้นใครเล่าจะพึงวางใจในชีวิตนั้นว่าเรายังเป็นหนุ่มสาว อายุของคนเป็นของน้อยนะักเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปเปรียบเหมือนอายุของฝูงปลาในน้ำน้อยความเป็นหนุ่มสาวในวันนั้นจะทำอะไรได้สัตว์โลกถูกครอบงำและถูกห้อมล้อมอยู่เป็นนิดสัตว์ทุกหมูเราจากทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลก พระตถาคตผู้ศาสดาผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้ในโลกถึงแล้วซึ่งกำลังพระยานเป็นพระสัมพุท ธ, ธะเช่นนี้อย่างปริญนิพานแล้วปุถุชนเป็นผู้มีความป่วยไข้ความแก่และความตายเป็นธรรมดา มีอยู่ตามธรรมดาแต่พากันรังเกียจก็การที่เราพึงรังเกียจความป่วยไข้ความแก่และความตายนี้ในหมูสัตว์ซึ่งมีธรรมดาอย่างนี้ข้อนั้นไม่สมควรแก่เราผู้มีปรกติอยู่เช่นนี้เรานั้นเป็นอยู่เช่นนี้รู้จักธรรมที่หมดอุปธิ เห็นเนคขมะด้วยความเป็นธรรมเกษมย่อมครอบงำความเมาในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มสาวและในชีวิตเสียทั้งหมดความอุตสาหะได้เกิดแล้วแก่เราผู้เห็นนิพพานด้วยปัญญาอันยิ่งบัดนี้เราไม่ควรที่จะกลับไปเสพกามเราจักเป็นผู้ไม่ถอยหลัง จักเป็นผู้มีพรมจรรย์เป็นไปในเบื้องหน้าฉันเห็นคนแก่คนเจ็บหนักและคนที่ตายตามอายุไขแล้วจึงละได้ซึ่งกามรมารมอันเป็นของเรื่อนรมใจแล้วออกบวชเป็นบรรพชิตดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ไม่น่าชื่นชมนี้เป็นกําหนดควรเบื่อหนายควรใครกําหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สาปรายพภพควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์ สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคนที่เป็นอยู่นานย่อมอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกินไปได้บ้างก็มีน้อยอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยคนดีควรดูหมิ่นอายุนั้นเสียควรประพฤติดุดคนที่ถูกไฟไหม้ศีรษะฉะนั้น การที่จะไม่มาเหงมัจจุราชไม่มีเลยผมที่งอกบนสีรษะของเรานี้เกิดขึ้นนำอาไวัยไปเสียเทวทูตปรากฏแล้วัตรนี้เป็นสมัยบรรพชาของเราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนามีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับเป็นสุขชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา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 รวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีเมื่อฝนตกหนักหนาเม็ดฟองน้ำย่อมแตกเร็วตั้งอยู่ไม่นานแม้ฉันใด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 ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำที่ไหลลงจากภูเขาชันนั้นเหมือนกันบุรุษมีกําลังอมก้อนเขละไว้ที่ปลายลิ้นแล้วพึงถมไปโดยได้ง่ายดายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเขละฉันนั้นเหมือนกันชิ้นเนื้อ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 แม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชื่อฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทํากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี โลกอันตันหาดักไว้อัญชราล้อมไว้โลกอันมฤรุตยูดปิดไว้โลกตั้งอยู่แล้วในทุกข์กามคุณห้ามีใจเป็นที่หกบันดิตประกาศแล้วในโลกบุคคล เลิกความพอใจในานามรูปนี้ได้แล้วก็พ้นจากทุกได้อย่างนี้ตันหายังคนให้เกิดจิตของเขาย่อมวิ่งพล่านสัตว์เวียนว่ายไปอย่างสังสารสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุก์ถ้าภิกษุใดเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศร เห็นอทุกขะมาสุขขะซึ่งมีอยู่นั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงภิกษุนั้นเป็นผู้เห็นโดยชอบย่อมกำหนดรู้เวทนาทั้งหลายได้ครันกำหนดรู้เวทนาแล้วเป็นผู้หาอสวะมิได้ในปัจจุบันตั้งอยู่ในธรรมถึงที่สุดเวทะเมื่อตายไปย่อมไม่เข้าถึงความนับว่าเป็นผู้กำหนด ขัดเคืองเป็นผู้งอมงายในกองสังขารล้วนนี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์เหมือนอย่างว่าเพราะคมส่วนทั้งหลายเข้าเสียงว่ารถย่อมมีฉันใดเมื่อขันทั้งหลายยังมีอยู่การสมมุติว่าสัตว์ย่อมมีฉันนั้นความจริง ทุกเท่านั้นย่อมเกิดทุกย่อมตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไปนอกจากทุก์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุก์ไม่มีอะไรดับผู้ใดเพลิดเพลินรูปผู้นั้น ชื่อว่าเพลิดเพลินทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินเวทนาผู้ใดเพลิดเพลินสัญญาผู้ใดเพลิดเพลินสังขารผู้ใดเพลิดเพลินวิญญาณผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินทุก ผู้ใดเพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นไม่พ้นไปจากทุกเราไม่มีทุกเลยและความเพลิดเพลินก็ไม่มีอันหนึง่งความเบื่อหน่ายก็ไม่ครอบงำเราผู้นั่งแต่ผู้เดียวผู้มีทุกขนั่นแหละจึงมีความเพลิดเพลินผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละจึงมีทุก ภิษุย่อมเป็นผู้ไม่มีความเพลิ่เพลินไม่มีทุกข์ท่านจงรู้อย่างนี้เถอผู้ใดเพลิดเพลินตาผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปจากทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินหู ผู้ใดเพลิดเพลินจมูกผู้ใดเพลิดเพลินลิ้นผู้ใดเพลิดเพลินกายผู้ใดเพลิดเพลินใจผู้นั้นย่อมชื่อว่าเพลิดเพลินทุกผู้ใดเพลิดเพลินทุกเรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปจากทุกข์ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมด ย่อมเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยเพราะสังขารทั้งหลายดับโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดภิกษุรู้โทษนี้ว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยทุกจึงเกิดขึ้นเพราะความสงบแห่งสังขารทั้งมวลสัญญาทั้งหลายจึงดับความสิ้นไปแห่งทุก ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุรู้ความสิ้นไปแห่งทุกนี้โดยท่องแท้บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นชอบพูดถึงเวทะรู้โดยชอบแล้วครอบงำกิเลสเป็นเครื่องประกอบของมารได้แล้วย่อมไม่ไปสู่พบใหม่ ทุกเราใดเ่าหนึ่งมีเป็นอันมากในโลกย่อมเกิดเพราะอุปทิเป็นเหตุผู้ใดแลไม่รู้ย่อมกระทำอุปธิผู้นั้นเป็นคนเขาย่อมเข้าถึงทุกบ่อยๆเพราะเหตุนั้นผู้พิจารณาเห็นเหตุเกิดแห่งทุกเนืองเนืองทราบชัดอยู่ไม่พึงทำอุปทิ ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัยเพราะอาหารทั้งหลายดับโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมพูดถึงเวทะรู้โทษนี้ว่าทุกย่อมเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัยดังนี้แล้วกำหนดรู้อาหารทั้งปวง เป็นผู้อันตัญหาไม่อาศัยในอาหารทั้งหมดรู้โดยชอบซึ่งนิพพานอันไม่มีโรคพิจารณาแล้วเสพปัจัจสี่ย่อมไม่เข้าถึงการนับว่าเป็นเทวดาหรือมนุษย์เพราะอาสวะทั้งหลายหมดสิ้นไปอุปทานขันห้าเป็นทุกข์เป็นชนยัยอุปทานขันคือรูป เบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เรียกโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเพราะวิญญาณดับโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดภิกษุรู้โทษนี้ว่า ทุกย่อมเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วเพราะความเข้าไปสงบแห่งวิญญาณทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะความริเริ่มเป็นปัจจัยเพราะความริเริ่มดับโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดภิกษุรู้โทษนี้ว่า ทุกย่อมเกิดเพราะความริเริ่มเป็นปัจจัยดังนี้แล้วสละคืนความริเริ่มได้ทั้งหมดแล้วน้อมไปในนิพพานที่ไม่มีความริเริ่มถอนภาวะตันหาขึ้นได้แล้วมีกิจสงบมีชาติสังสารสิ้นแล้วย่อมไม่มีพบใหม่ความทุกข์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกเป็นอันมาก ย่อมเกิดเพราะอุปทิเป็นเหตุผู้ใดไม่รู้แจ้งย่อมกระทำอุปธิผู้นั้นเป็นคนเเาวย่อมเข้าถึงทุกบ่อยบ่อยเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมารู้ชัดเห็นชาติว่าเป็นเหตุเกิดแห่งความทุกข์ไม่พึงกระทำอุปธิ ทุกันไม่น่ายินดีย่อมครอบงำคนผู้ประมาทโดยความเป็นของน่ายินดีทุกอันไม่น่ารักย่อมครอบงำผู้ประมาทโดยความเป็นของน่ารักทุกย่อมครอบงำบุคคลผู้ประมาทโดยความเป็นสุขทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะความหวันไหวเป็นปัจจัย เพราะความวันไหวดับไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกย่อมเกิดขึ้นเพราะความวันไหวเป็นปัจจัยดังนี้เพราะเหตุนั้นแลภิกษุสละตันหาแล้วดับสังขารทั้งหลายได้แล้วเป็นผู้ไม่มีความวันไหวไม่ถือมั่นแต่นั้นพึงเว้นรอบ บุคคลตัดความหโหยโกรธด้วยกิเลสเป็นเครื่องรัดด้วยความปรารถนาและความโลภอันชั่วช้าด้วยถอนตันหาพร้อมทั้งอวิชชาอันเป็นมูลรากเสียได้อย่างนี้จึงจัดออกไปจากทุกได้เหล่าสัตว์ผู้ถูกมิจฉาทิฏฐิกาจัดมีจิตฟุง้งซ่าน มีความสำคัญผิดมีความสำคัญในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสำคัญในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสำคัญในสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตนและสำคัญในสิ่งที่ไม่งามว่างามสัตว์คือชนเหล่านั้นชื่อว่าประกอบแล้วในเครื่องประกอบของมานไม่เป็นผู้กเกษมจากโยคะมีปรกติ ไปสู่ชาติและมรณะย่อมไปสู่สังสารก็ในการใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้กระทำแสงสว่างบังเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นย่อมประกาศธรรมนี้เป็นเครื่องให้สัตว์ถึงความสงบทุกข์ชนเหล่านั้นผู้มีปัญญา ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วได้จิตของตนได้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์ได้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าไม่ใช่ตนได้เห็นสิ่งที่ไม่งามโดยความเป็นของไม่งามสมทานสัมมาทิฏฐิจึงล่วงทุกข์ทั้งปวงได้ ถ้าบุคคลเป็นผ้าหูสูรไม่ประพฤติ ธ, ธรรมก็จะพึงกระทำกรรมอันลามกทั้งหลายได้แม้จะมีเวทะตั้งพันอาศัยแต่ความเป็นผ้าหูสูรยังไม่บรรลุจรณธรรมจะพ้นจากทุกไปไม่ได้เลยมนุษย์เหล่าใดอันเทวทูต ท, ทั้งหลายตักเตือนแล้วยังมัวเมาประมาท มนบเหล่านั้นเป็นคนเข้าถึงหมู่ที่เลวทรามย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานส่วนสัตบุรุษผู้สงบประงับในโลกนี้อันเทวาทูตตักเตือนแล้วย่อมไม่มัวเมาประมาทในอริยธรรมในการไห น, ไหนเห็นภัยในความถือมั่นอันเป็นแดนเกิดแห่งชาติและมรณะย่อมหลุดพ้นในธรรม เป็นที่สิ้นชาติและมรณนะเพราะไม่ถือมั่นสัตบุรุษเหล่านั้นเป็นผู้ถึงความเกษมมีความสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงพ้นเวรและภัยทั้งปวงข้ามพ้นทุกทั้งสิ้นการเกิดบ่อยๆเป็นทุกรามไปท่านทั้งหลายจงปรารกความเพียร จงก้าวออกไปจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกําจัดเสนาแห่งมจุราเสียเหมือนกุญชรหักไม้อ้อฉะนั้นผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจกละชาติสังสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุ รู้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสุขเวทนาหรือทุกขขอเวทนากับอทุกขมาสุขเวทนาที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกว่าเวทนานี้เป็นเหตุแห่งทุกมีความสาบสูญไปเป็นธรรมดามีความสุดโสมไปเป็นธรรมดาถูกต้องด้วยอุทยพย า, ยาน อุทยพยาัยาณคือความรู้เกิดรู้ดับแล้วเห็นความเสื่อมไปอยู่ย่อมรู้แจ่มแจ้งความเป็นทุกข์ในเวทนานั้นอย่างนี้เพราะเวทนาทั้งหลายสิ้นไปนั่นเองทุกข์จึงไม่เกิดการมาคุณห้ในโลกมีใจเป็นที่หกเราประกาศแล้ว บุคคลคลายความพอใจในการมาคุณห้านี้ได้แล้วย่อมพ้นจากทุกขได้ด้วยอาการอย่างนี้เราบอกซึ่งธรรมชาติเป็นเครื่องออกจากโลกนี้ตามความเป็นจริงแก่ท่านทั้งหลายแล้วถ้าเม้ท่านทั้งหลายพึงถามเราพันครั้งเราก็จะบอกข้อนี้แก่ท่านทั้งหลายเพราะบุคคล ย่อมพ้นจากทุกข์ได้ด้วยอาการอย่างนี้ศรัทธาเป็นเพื่อนของคนปัญญาย่อมปกครองคนนั้นสัตยินดีในนิพพานจึงพ้นจากทุก์ทั้งปวงได้ สัตว์ทั้งหลายจงริเริ่มจงก้าวหน้าจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดเสนาแห่งมจุราชเหมือนช้างกำจัดเรือนไม้อ้อชะน้นผู้ใดจักไม่ประมาทในพระธรรมวินัยนี้อยู่ผู้นั้นจักละสังสารคือชาติแล้วกระทาที่สุดแห่งทุกข์ได้ ท่านถูกวิตกินเพราะมณสิการไม่แยบคายท่านจงละมณสิการไม่แยบคายเสียและจงใคร่ครวนโดยแยบคายท่านปราบร พ, พระาศาสดาพระธรรมพระสงฆ์และศีลของตนแล้วจะบรรลุความปราโมทปิติและสุขโดยไม่ต้องสงสัยแต่นั้น ท่านจักเป็นผู้มากด้วยความปราโมทจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ผู้มีทุกข์นั่นแหละจึงมีความเพลิดเพลินผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละจึงมีทุกข์ภิกษุย่อมไม่เป็นผู้มีความเพลิดเพลินไม่มีทุกข์ท่านจงรู้อย่างนี้เถิด สัตว์เราใดถูกราคะย้อมแล้วสัตว์เหล่านั้นย่อมเล่นไปตามกระแสตันหาดุดแมงมุมเล่นไปตามใยที่ตนทำเองฉะนั้นนักปราดทั้งหลายตัดเครื่องผูกแม้นั้นแล้วเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยย่อมละทุกทั้งปวงได้ ประทานสี่ประการนี้คือสังบรประทานหนึ่งปหาณะประทานหนึ่งภาวนาประทานหนึ่งอนุรักษณาประทานหนึ่งอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วซึ่งเป็นเครื่องให้ภิกษุในธรรมวินัยผู้มีความเพียรพึงถึงความสิ้นทุกข์ได้ เราย่อมทราบชัดซึ่งสิ่งที่โลกสมมุติว่าเลิศท้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นและไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมัน่นจึงทราบความดับได้เฉพาะตนฉะนั้นตถาคตจึงไม่ทุกข์นอรชนพึงอยู่ในถิ่นที่เหมาะพึงกระทำอริยชนให้เป็นมิตร ถึงพร้อมได้ความตั้งตนไว้ชอบมีบุญได้กระทำไว้แล้วในปางก่อนธัญชาติทรัพย์ยศชื่อเสียงและความสุขย่อมหลั่งไหลมาสู่นรชนนั้นความสุขสิบระดับได้แก่หนึ่งกามาสุขสอง สุขในปฐมฌานสามสุขในทุติยฌานสสุขในตติยฌาน 5. สุขในจตุถฌาน6สุขในอากาสานัญจาตนชฌาน 7. สุขในวิญญาณัญจาตนาฌาน8 สุขในอากินจัญญายตนะานเก้าสุขในเนวสัญญายตนะชานและ 10, สิบสุขในสัญญาเวทะยิตะนิโรธะสมาบัตินรชนผู้มีอันจะตายเป็นสภาพ รู้ความไม่เป็นนี่ว่าเป็นสุขแล้วพึงระลึกถึงสุขเกิดแต่ความมีซั์เมื่อใช้สสยโพคะเป็นสุขอยู่ย่อมเห็นแจ้งด้วยปัญญาผู้มีเมทาดีเมื่อเห็นแจ้งย่อมรู้ส่วนทั้งสองว่าสุขแม้ทั้งสามอย่างนี้ไม่ถึงเซี่ยวที่ส6หอันจำเนก16หครั้งของสุข เกิดแต่การประกอบการงานที่ปราศจากโทษวิเวกเป็นสุขของผู้ยินดีมีธรรมอันสดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความเป็นผู้มีราคะปราดไปแล้ว คือความก้าวล่วงซึ่งกรรมทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกนำความซึ่งอสมิมาณสียวิเวกเป็นสุขของผู้ยินดีมีธรรมอันสดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่ความไม่เบียดเบียน คือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกและความเป็นผู้มีราคะปราดไปแล้วคือความก้าวล่วงซึ่งกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกความนำซึ่งอสมิมาณะเสียได้นี้แลเป็นสุขอย่างยิ่งกามมาสุขในโลกและทิพยสุขย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่16ห แห่งสุขคือความสิ้นตันหากายของเราเป็นกายเบาหนออันปิติและสุขอย่างไั่โบนถูกต้องแล้วย่อมเลื่อนลอยได้เหมือนนุ่นที่ถูกลมพัดไปฉะนั้นกิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ใดความสุขย่อมมีแก่ผู้นั้นหนอ ผู้มีธรรมอ น, นัได้แล้วเป็นพ่อหูสูตรท่านจงดูบุคคลผู้มีกิเลสเครื่องเดือดร้อนอยู่ชนผู้ปฏิพัติ์ในชนย่อมเดือดร้อนชนผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีความสุขน้องชนผู้ถึงเวทะคืออริยมรรคยานเท่านั้น ชื่อว่าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลท่านจงดูชนผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเดือดร้อนอยู่ชนเป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์ในชนย่อมเดือดร้อนโลภะโทสะและโมหะอันบังเกิดแก่ตนย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้มีใจเป็นบาปดูดผลของตน เบียดเบียนไมเต่ารังฉะนั้นใครๆผู้มีความปรารถนาลามกจงอย่าอุบัติในโลกเลยฝนคือกิเลสย่อมรั่วรสสิ่งที่ปกปิดย่อมไม่รั่วรสสิ่งที่เปิดเพราะฉะนั้นพึงเปิดสิ่งที่ปกปิดไว้เสียฝนคือกิเลส ย่อมไม่รูวรถสิ่งที่เปิดอย่างนี้โลกถูกกิเลสขบกัดถูกกิเลสทําให้เป็นดังเปลือกตมปุถุชนจมอยู่แล้วในกิเลสวัตถุใดสัตว์เป็นอันมากย่อมถูกประหารและถูกฆ่าในกิเลสวัตถุนั้นโลภะโทสะและโมหะ เกิดขึ้นแล้วในตนย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้มีจิตอันลามกเหมือนขุยของตนย่อมเบียดเบียนไม้ไผ่ฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเปลื้องราคะและโทสะเสียเหมือนมะลิปล่อยดอกที่เหี่ยวแห้งแล้วฉะนั้นโลภะให้เกิดความฉิบหาย โลภะทำจิตให้กาเริบชนไม่รู้สึกโลภะนั้นอันเกิดแล้วในภายในว่าเป็นภยัยคนโลภย่อมไม่รู้ประโยชน์ย่อมไม่เห็นธรรมโลภะย่อมครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้ย่อมมีในขณะนั้นก็ผู้ใดและความโลภได้ขาด ย่อมไม่โลบในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภความโลภอันอริยมรรยย่อมละเสียได้จากบุคคลนั้นเปรียบเหมือนหยดน้ำตกไปจากใบบัวฉะนั้นโทสะให้เกิดความฉิบหายโทสะทําจิตให้กําเริบนรชนไม่รู้สึกโทสะนั้นอันเกิดในภายในว่าเป็นภยัยคนโกรธ ย่อมไม่รู้จักประโยชน์ย่อมไม่เห็นธรรมโทสะย่อมครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้ย่อมมีในขณะนั้นก็บุคคลใดและโทสะได้ขาดย่อมไม่ประทุษร้ายในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้ายโทสะอันอริยมรย่อมละเสียได้จากบุคคลนั้นเปรียบเหมือนผลตาลสุข หลุดจากขั่วฉนั้นโมหะให้เกิดความชบภายโมหะทำจิตให้กำเริบชนไม่รู้สึกโมหะนั้นอันเกิดในภายในว่าเป็นภยัยคนหลงย่อมไม่รู้ประโยชน์ย่อมไม่เห็นธรรมโมหะย่อมครอบงำนรชนในขณะใด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 ตันหาหนึ่งความง่วงเพราะหานอนหนึ่งความขาดหนึ่งความลังเลใจหนึ่งความลบหลู่และความกระด้างหนึ่งลาบความสรรเสริญสั ก, การะและยศที่ได้โดยทางผิดหนึ่งความยกตนและข่มผู้อื่นหนึ่งเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นมานเสนา มีปกติกำจัดเป็นผู้มีธํามดำคนไม่กล้าย่อมไม่ชนะเสนานั้นได้ส่วนคนกล้าย่อมชนะได้ครั้นชนะแล้วย่อมได้สุขไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีขาย เสมอด้วยโมหะไม่มีท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับในวันนี้เสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิดกได้จบลงแล้วขอให้ท่านทั้งหลายติดตามรับฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้ เวลาเดียวกันนี้สารธรรมใดที่เป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายขอสารธรรมนั้นจงเป็นกุศลเพิ่มพูนบุญญาราศีประดับทีวีท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขทุกทิพพาราตรีการด้วยเทิน